ถามข้อแรกเลยว่าให้อาหาร <C> แกเดรทีอย่างไรเป็นอาบัตให้อย่างไรไม่เป็นอาบัตครับให้ดื้อมือให้ดื้อมือแก ม, ม, มือต่อมืออ๋อมือต่อมือคือเขาใช้มนอล้างใช่ไหมครัแล้วก็ยื่นมือเขาเลยหรือว่าเขาถือภาชนะไว้แล้วก็ใส่เปในภาชนะเข้ า, า, าเลย อันนี้เป็นอาบัตครับอัที่ไม่เป็นอาบัตเป็นังไงครับเอาวางไว้ให้นะฮะเข้าหยิบไปเองเพื่อนชอบเอาได้ได้ครับใช้ขืนไปให้ได้ครับใช้สําำลีใช้คนวางอะไรไปครับได้นะครับหรือว่าให้เขาไรนะวางภาชนาลงก่อนเนเรแล้วก็ไปในภาชนะครับนี่นะไม่ยากหรอกใช่ไหม เขาแลนีก็แค่นี้ครับ <c oughs> และก็ให้ของอะไรเนี่ยที่ไม่เป็นอาบัตนนิและศิชาบทนี้ครับให้ของอะไรที่เป็นอาบัติและศิชาครั บ, รบพูดถึงสิ่งของแล้วม่พูดถึงวิธีนะแบบให้ในมือก็าดิตรงเลยแต่ว่าไม่ต้องอาบัติของแบบไหนครับ <c oughs> เอาน้ำไม้ชงน้ำฟันเป็นอาบัตินหมเป็นอาบัตรทุกกฎใช่ไหมครับ แล้วให้อะไรนะที่ไม่ต้องทำอที่นอกเหอกับกุชนาค่ะแล้วก็น้ำสมัยสำหรับปั๊บวเรื่องข า, าตัเาวเียคคเครื่องรูปไม้ยภายนอกใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ได้แค่นี้แหละต่อไปข้อสอง <c oughs> พิสูชวนเพื่อนพิสูจ น, นนะครับด้วยกานเปมิธบาา และส่งกลับไปครับด้วยความประ ส, สมอย่างไรจึงทาไม่ต้องอาบัดปานจิตีและท่านจะต้องอาบัตตอนไหนพูดอนาจาร <duo> มีมีอะไรเป็นต้น <t> <c> พ็คอนาจารย์เนี่นนยมีพูดเกี่ยวกันมีพูดเกี่ยวหรือได้อยู่ในที่ทเล่าใช่ไหมครับหรือพูดกระซิกระซิบอะไรข้ามนี้นะด้เล่นหัวข้อนี้ครับ ประสงค์อย่างนี้นะไม่ได้ส่งไปใช้แต่ขับสายไล่ส่งเลยนะส่งแบบไล่กลับอะไรนะครับอันนี้นี่แะและต้องบอกไปดีและท่านจะต้องอาบัตรไปดีเมื่อไหร่ครับกตสองรมันต้องมีระยะมีระยะสองเกินสิบสองสองใช่ครับเกินสิบสองสองไปเก้าแรกครับกด ไปตีครับแล้วก็อีแบบนึนอีแบบงครับอีแบบว่าถ้ามีฝานหรือมีกมําแพงกนนั้นอย<แ>่างงี้นะแค่อะไรแค่หายมองไปแค่เดินเลยสารกําแพงไปใช่ไหมครับหายไปมองไม่เห็นอย่างงี้นะ อ, อ, อันนั้นก็ต้องบำบัดไปตีครับต้องจะต้องตอนนั้นนะมไม่ใช่ว่ า, วากลับออพอหาหลังกลับแล้วก็โดนอะไครับไม่ใช่ต่อไป จองอธิบายสัโพชนะสิกขาบุตรมาะอะไรชนสองคนนะ่ออะนะกำลังกินข้าวเหมือนอ้มร อ, อที่บายสิกขาบุตนี้มาันเป็นยังไงครับคืออย่งางนี<อ>้ครับให้พระสีระตอบว่าพระสลระจะตอ คือยีานนี้เขาจะปราชิมในห้องกันสองคนนะครับแล้วก็พระเข้าไปับ้็เขาจะมีอะไรครับไอเขาสองคนคือใครครับคือผัวเมียอ๋อผัวเมียสองคนไปอยู่จนยุคยู่ในห้องกังเป็นห้องอะไรครับเป็น เป็นห้องนอนนะครับหรือมีสองคนอยู่ในห้องนอนด้วยกันผ่าเข้าไปหรือถ่ายพนังไกลเมียเขาเขาเารู้สึกยังไงครับแต่ถ้ารู้สึกเขากำลังมีรักะเกิดระรเปิกระถ้ามีความกำนังถ้ามีคามกังนะครับแล้วเป็นยังงทีนี้าก็ดปะปะเข้าไปนั่งไกลเมียเขาเลยเอาถ้าไม่ไม่ไปนั่งไกล้เมียเขาจเป็นอาบัตไหม ท่านจะเป็นอาบัตตอนไหนอันนี้ก็เป็นอาบัตตอนที่ปรงที่โดไฟไล่ให้ออกมาไม่ใช่รชตอนที่เข้าปนอันนั้นนั่งแค่ไหนเข้าไปแค่ไหนถือว่าเนี่ยห้องนอนเขาใช่ไหมลาเดยทั่วไปครับมนจต้องอามาตอนจะเป็นไปยังตีเลยนะครับนั่งกล้ว่างใหญ่แบบนี้ไปนระหว่างไล่ประตู อะไรประตูกี่แม่กี่สอบกี่วันอะไรประตูนี้เข้าไปเท่าไหร่ครับต้องมีระยะมีระยะโอ้โในไกลเกินห้องห้องมันทีอ่ถ้าเป็นห้องนอนก้าวแรกจะเป็นทุกดก9าที่สองเป็นปฏิทินแต่ถ้าเป็นห้องห้อ ง, ย, งยังยังต้องมีมีระยคะครับ พอเข้าไปแบบประตูก็ไปรุ๊กก้หน้าเก้าสองนี่ยิ้มถึงปยีครับเกือทุกคนเอาเก้าก่อนยิ้มยิ้มยิ้้มแล้วงอยู่อยู่งอในระหว่างกั้งอระหว่างคนงยังไม่ใช่ครับแล้วยงาใของจำได้่ห้องเล็ห้องเล็กก็คือเข้าไปอยู่ตรงกลางของก็ต้องต้องบัตรใช่ไหมเนี่ยถ้าห้องเล็กนะครับพอไถึงกลางพอไปถึนจ้องแบบปลาตีแต่ถ้าเป็นห้องใหญ่เนี่ยเข้าไปถึงแค่ไหนเออครับ ข้อใหญ่เลยเป็ปารรตูหรือเปาัระประตูนะท่านอะไบอกมาคิดสอบโอ้ไม่ใชยังไเลยไม่ไม่เกียรเขาไม่นับเดสอแล้วนี้ไม่นับคสอนะเ้าไม่รวมไม่นี่ยไม่ใช่เก้าเก้าก็น้อยกว่าสองเก้าไม่เคยขบายขึ้นับเขา เลยหักทะบาดประตูเข้าไปนะครับพอเดินเข้าไปทําประตูยังไม่ต้องนะต้องเลยหักทะบาดประตูเข้าไปนะครับ <c oughs> น ะ, ะบไปไปนะทนีนี้ต้องอ่านบทไปอีกทีในสัพโพชิตาสิสาบทนะครับนี่ท่านก็บอกว่าอะไรนะกล้าวล่วงหักทะบาดจากบ้านประตูนะแห่งเรือนนอนหลังใหญ่ครับแล้วก็อะไรนะ ถ้าเรียนเอาหนังเล็กก็กลางห้องถูกต้องนะครับวันนี้ต่อไปต่อไปในถามว่า <c oughs> อาบัตรเกี่ยวกับการนั่งในที่รับตาและนั่งในที่รับหูกับมาดุทางมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างจงบอกมาทีรับตาก็ที่รับตานะตั้งแี่แรกตอ อ๋อตัวตาคุณบ้างก็ได้คนยังไงอยากจะสอบมั้ยครับครัให้บอกว่าตั้แต่ถางเป็นยังไงเนี่ยนั่งในที่รับจาก็ที่รอบหูประมังตุคามันจะแตกต่างยังไงกีบอาบันนี้ครับนี่ครับทั้งหมดนั่นแหละในที่ร้าหมายถึงว่ามีที่บ้าไม่เห็นแต่ที่ได้ยินเสียงคุยกันได้ อืมครับถ้าเราตาคือมันมีอะไรกั้นบังใช่ไหมมีฝาประตูกําแพงอะไรแล้วแต่ใช่ไหมกั้นบังถ้าเราหูหมายถึงว่ายังมองเห็นอยู่ครับมองเห็นอยู่แต่ว่าไม่้ยินเสียงทีคุยกันอ๋อเอาระยะแค่ไหนนะอ่ายก่สิบสองขวบขึ้นไปไม่มีใครอยู่แถวนั้นครับครับและและต่างกันยังไงครับยังมียังมี อันนี้เกณฑ์สถานที่นะได้สถานที่ได้ตามการอย่างนี้ครับคือที่รับตาเนี่ยเบ้ยังมีมื่อินมนกินถูกนะคนนะเบ้นมีคุยดีสิคนก็การบัตไม่ได้ครับแต่ที่รับหูอ่ะมีที่รับหูครับที่รับหูดูดีกันได้ได้เัย คนเรกวก็ผู้หญิงตาดีใช่ไหมหูไม่หนวด้วยใช่ไหมรับสา ม, มารถกันน้ำบอดได้แต่ถ้าเป็นที่รลบตานะเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมไม่จะเป็นผู้หญิงเป็นศิษย์เป็นร้อยนะ่ะถ้าเป็นผู้ชายอยู่เลยมีแต่ผู้หญิงก็กันน้บอดไม่ได้แต่ถ้าเป็นที่เล่าหูน่ะแค่ <c oughs> ตอนแรกหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมขอให้มีคนหนึ่งเข้ามาผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ใช่ไหครับไม่บอกไม่หนวดนี่กันน้ำบอดได้คนี่นะครับ ที่รับตานี่เห็นไม่ถึงกันได้ครับคร <c oughs> ับที่รับหูสามารถพูดคุกันได้อืมครับคได้ครับหลนะายเนี้ยต่างกันครับได้กต้องนะหลายอย่างรวมกันก็ได้นะครับอันนี้ทีนี้ถ้าเป็นที่รับตาอ่ะคน <c oughs> หูหนวกการแต่ตาดีการอ่านบารได้ไหยครับคือ <c oughs> ท, ที่รับตาครับเข า, ขา <c oughs> หูหนวกแล้วเขอตาดีก็เห็นหมดแหละ เออการอามาได้ไมด้ได้ได้ได้ได้ก็หูยยงก็ตามไม่หมดถามองเห็นอยู่เขาจะทาอะไรกันนี่ก็เห็นหมดใช่ไหมเอ่ั่นจับคัเป็นเป็นเป็นเป็นผู้ชายเ่เถ้าเป็นผออ่านนอย่างนี้นะเออพระชาย่ย ถึงถึงจะตายถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นผู้ชายครับอูุเนื้อหาใช่ไหมนะครับไปนั่งอยู่เรียบร้อยอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่ล่ําหูเนาะได้หูหนวดตาดีกระนานบได้าหมครับที่เลหูอันเนี้ยหูหนวดตาดีเอได้ได้หูหนวดตาดีมันนี่ไม่เขาคุยอะไรกันนะทที่ล่ําหูนะครับอ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหม ถ้าอะไรนะหูหนวดจะตาดีเนยถ้าตาบอดนะครับแต่มหูดีอ่ะการามบอดได้ไหมครับได้ได้คนเลียงเสียหมดเลยการหน้าไมครับไม่ได้นะครับถ้าที่เราหูนี่แปลกนะต้องทั้งไม่บอดไม่หนวดนะครับถึงจะการามบอดได้ถูกต้องครับต่อไป ถามว่าทายกนิมนต์ออกชื่อโพชนะใช่พิสุยังไม่พิสุก็รับนิมนต์เรียบร้อยนะยังไม่ได้บอกนะพิสุที่มีอยู่ในวัดนครับเทียบไปสุตระกูลอื่นก่อนพันหรือหลังพันคือก่อนฉันหรือหลังฉันนะแ น, นี้แต่ก็ไม่ต้องอาบัตเพราะเหตุอะไรจงบอกมาถ้าเปิดมบได้ บอยใ้พรลูกอื่นไปอันนี้บอยใ้พระลูกอื่นไปกินมนต์แทนใช่ไหมครับไม่มีนะในข้อนี้ไม่มีนะครับไม่มีตรงนี้อนะี่ะมันเกี่ยวกับจาริกสิกขาบทไงที่ว่าชายโยนิมนต์ออกชื่อโพชนาแล้วอไอ้นะพิสูนะครับไม่ได้บอกราวงพิสูที่มันอยู่ในวัดใช่ไหมแล้วก็เทียบไปสืบสกุลอื่นก่อนชายก็ดีหลังฉันก็ดีธรรมดาจะต้องบัดไปอีกตีใช่ไหมครับแต่อันนี้ ไม่ต้องเอาไปตีนะคกรณีนี้เนี่ยพ่อยอ้อะไรจะบอกมาครับแล้วมีมือจิ๋วเพราะันนาด้วยนะได้อ่านิสงสกระถินนะครับสมัยทำจีบงสมัยทําจีวองนะครับสองสมัยนะอ๋อไม่ใช่แค่สองสมัยใช่ไหมครับหน้อานิสงกระินได้านิสงภาษาได้ช่วงจีบองละครแล้วก็สมัยทําจีวงนะครับอันนี้นะ ง่ายนะครับต่อไปนะครับเที่ยวไปสู่ตกูลอื่นในสิขาวบทนี้นะจะเป็นนามบัตรปาจิตตีตอนไหนครับเที่ยบไปสู่อะไรครับไอ้ข้อข้อที่มันกี้แหละถือว่าไม่ใช่สมัยเลยแล้วแล้วเที่ยวไปสู่ตกูลอื่นแล้วไม่บนแรกนี่น่ะจะเป็นนามบัตรตอนไหนครับเป็นปลายิตีนะตอนไหนอ๋อเป็นเป็นนามบัตรปาจิตตีตอนที่เข้าไปถึงสู่ประตูเรือ กาจะเออก็จะมาเนี่คําบวนไาบ้างเอยไม่ใช่ข้นประตูบะข้นประตูบ้านอะไรข้ว้านอเข้าวแรกก้าวแรกต้องทุบเกิดาวที่สองเกิดทุกคนนี่ก้าที่สองเนี่ยทุกคนข้าวแรกทเกิดขาวที่สองเข้าปดีดีดีครับจะเข้าเข้าประตูบ้านนู่นแหละใช่ไหมนี่นครับต้องเข้าถึงขนาดนี้เลยนะ จะต้องไปอีกทีนะครับนี้ครับถ้าเราไม่ไม่าปรูก็ใช้คดไม่ด้ครับอันนี้เข้าประตูเลยนะถ้าบอกว่ากาวลวทอ น, นี่ประตูครับใช้คานี้เลยใช้คี่เลยครับกาวลวทอ น, นี่ประตูอะไรนะครับอัน้ครับตะกูเนี่ยอันนี้พูดถึง อ, อย่างนี้นะครับ อ๋อเนี่ยนะออตอนแรกเข้าถึงเขตเรือนนะครับตอนแรกต้องมาทุกกดก่อนตอนแรกเ้ถึงเขตเรือนนะเขาอนั้นทุกกดก่อนพอก้าวล่วงทอนีประตูก้าวแรกทุกกดก้าวที่สองเข้าไปตีนีครับใช่นะตอนแรกตอนแรกก็เข้าเขตเรือนก็ทุกกดก่อนอ๋อหรือเขตเรือนเลยครับอาน้ำตกชัยคานะเขาเขา เริ่มต้องมาแต่ตอนนั้นครับต่อไปครับในมหานามัสสิกขาบทนี่นะเจ้าในแม่ ม, มหานามัสสิกขาบทเกี่ยกับอะไรพี่สุดจะต้องอบัดปาจิตติในกรณีไหนบ้างจงบอกมาเจ้ามหานามสัามาามสคยาท่านทําอะไรเกี่ยวบอะไรนะแล้วเกี่ยวกับามสิกขาบทนี่ครับ ต้องชิมหาน้ามัต okay. สิกัเขาอธิบายมาเลยยอไหยอะไหมยอะไห้เจรจาก่อนเกี่ว่าอะไรชอบกับเรื่องยินดีในของที่เขายินดีเลยของที่เขาเขราะว่าน่าเขาขออะไรปอนะไรใครครั อ๋อนี่ก่อนอะไทยปวารณาใคยตวารปาตวารณาด้วยอะไรโชาคอนติบอกปวารนาด้วยชน่ห้าใช่ไมคเมียไม่ใช่ไม่ใช่โชน่าห้าตอวาราอะไรครับวารนานมนมใช่ไมช้อนตปวารนานมใช่ไหอานม ใช่ไหมครับคือแช่ใส่ั่เลใส่วันเลยใแล้วก็ภ่วนีแตนี้เียกชื่อดมูว่าภนาด้วยเพศใช่ไหมครับด้วยเพศวาด้วยด้วยำลพร้อมกำังลัเวลาอืมครับครับแล้วก็ไ่อยเกินียไปูเรื่อง้สองนะไม่ไม่ขอยเกินกำหนดนั้นใช่ไหมครับสองอย่าง อันนี้ในตอนนี้เขาภาวนาใครครับอันนี้ย<ง>โยมปภาวนาใครครับปยาวนาพระภาะวนาสงภาวนาสงนะครับกรณีที่ภาวนาสงถ้าต้องอัปบัติพ่ออะไรครับ ข, ขอเกินกําหนดใช่ไหมขอเกินกําหนดอะไรนะเกินกําหนดเวลาวก็ครับ หรือของใช่ไหมครับเกินหนดเวลาก็ไปตีเกินหนดของก็ไปตีใช่ไมม hmm, หมครับเกินกำหนดทั้งสองอย่างก็ไปอยู่ตีใช่ไหมมันจะมีสองกรณีก็มีห้ากรณีด้วยกันครับมีห้ากรณีด้วยกันข้อนี้นะอานไม่คอาเรื่องอะไรี เล่งเป็นเล่งไัน้ำชายน้ำเล่นี่ห้าห้ากรณออีด้วยกันนครจำได้ไหนี่มันกิดแดนไรเป็นสามแล้วเป็นสองครับยังยังอีสอง ข, องของ้งงอครับมัน ส, ส, สองกรณี มันจะมีเกินไป ก, กำหนดใช่ไหมกไปอีกท<ม>ีเกินเวลา้าไปอีกทีเกินของเข้าไปอีกทีเกินทั้งสองอย่างเข้าไปอีกทีใช่ไหมครับ แ, และแล้วก็อะไรอีกเนี่ยมีสองครับเป็นใช่ของที่ยัวนี้ไม่ได้ป่วย<อ> <c oughs> นี่เองนคะครับไม่ได้ป่วยก็ไปขอเรียกว่าขอธุรกิจที่ไม่ใช่เพศสัตว์ใช่ไหม เขเจไม่ได้ป่วยนะครับไม่ได้นั่นนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นต้องไปใช้ยาตอนนั้นนะครับก็ไปขอเขาเนี่ยมีตัวรัาขออย่างอื่นนอยากเพรศิทธิ์ปวนาถูกต้องนะครับเขาโกนาด้วยในสายไปขอในค้นใช่ไหมเขาเขาโกาด้วยอ่างอากาศก็ขอหนึ่งธนาเนี่ยนะดูใหมดูหรือเปล่าเออไม่ได้ดูนะ ต้องต้องเนี่ยห้ากรณีอย่างนี้นครับตรณีที่สองมัน ก, กี้นัคือขอธุรกิจที่ไม่ใช่เสสาศสัตว์นัคือไม่ได้ป่วยก็ไปขอเขากรณีสุดท้ายคือเข้าปรนัยอย่างหนึ่งไปขอปรนัยอีอย่างไปขออีกอย่างหนึ่งครับครับถูกต้องครับนี่นะเนี่ยธรรมดาครั บ, <c oughs> ต, รบต่อไปที่สุดจะต้องอ่านบทบาทจิตตี เกี่ยวกับกองทัพโอ้เกี่ยวกองทัพนี่ยสามสิบฐานบทด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างจงบอกมาี่หมดเวครับเกี่ยวกับกองทัพใช่ไหมอ่าเดินที่สูงไปดูเขายกขบวนกองทัพไปรบครับนิพพานบัตรนะครับอันนี้นิพพานบัตรข้อนึงสิบสองสิบามูลหนึ่งครับสองที่สูงอ่า ดูกองทัพที่ยกขบวนไปลบกปูข่าวแข่งนะแล้วก็พิสุอน์มีข่าวไปมีภัยทีอันตรายไหถ้ามีไปมีอะไรกองทับจะแล้วจะปลอดภัยไอ้พูดึงอาบัติยไม่ไม่ได้อานหอาบัตินะพูดถึงดึอาบัติเรา่อะไรอีกมันมีสามข้อสมสิบข้อบทที่เกี่ยวกับกองทัพอยู่ไหนครับ อยู่ในกองทัพเกินสามคืนครับคือเมื่อท่านมีเหตุท่านก็ไปอยู่ในกองทัพได้ใช่ไหมแต่อยู่เกินสามคืนครับมีข้องทับแล้วก็ถ้าหรากมันเกินสามคืนแล้วก็จริงอยู่แต่ถ้าเกินออกมาแล้วมันอันตายไม่ปลอดภัยอาชางืออาบัตที่มันเด่นไม่ได้ถางอาบัตครับ ไปดูข้จาจักขบวนทัพใช่ไหมครับไปดูที่พักพลใช่ไหมครับหรือไปดูสนามโลกนี่นะนะครับค่อยๆนะวิวที่กลางวานใช่ไหมวิวที่กลางไปดูอะไรสนามโลกใช่ไหมครับภารกลางวาดูอะไรน่ดูที่พักพลดูที่จัดขบวนทัพและก็ดูกองทัพใช่ไม ในข่าวครอันนี้กับลักษสนันลักษี่อยานนะดูสนามโลกนะครับดูที่พักของทัพดูที่จัดขบวนเท่าแล้วก็ไปดูกองทัพก็เนี่ยนี่ครับสี่หยานใช่ไหมวีดีโอที่การว่าทะลักกลงว่าเสน่น์แนวพยู่หังวานน่าดูสนามโลกนะครับไปดูที่ตรวจพลไปดูที่จัดขบวนเท่าแล้วดูกองทัพเนี่ยอันนี้กับทัศนาน ขาวดูกองทัพครับทําช้างทํมาม้าอนี้ครับใช่ไหมคล้ายๆเหมือนกันนะนครับนมดูว่าดูดที่อะไรดูกองทัพใช่หเนี่ยไปสู่สนามรบก็ดีสู่ที่จัดขบวนคลรบก็ดีสู่ที่พักกองทัพก็ดี คืที่ตรวจพลก็ดีครับอันนี้่าจารแปลว่ที่ตรวจพแมะันนี้รัศนนครับที่จะ ก, กระบวนพลทมที่ภาคกองทัพและก็ที่ตรวจคนก็สามอย่างนะครับครับเมืไหร่อนครับตรวจคนเข้าไปตัวว ต, ตอ น, ตอนจะจะออกจะเอาร ก, ก่อนนะ อย่างเี้นะตัว น, นี้เขาเรียกว่ากล่องทํานะอย่างนี้เ้าเรียกว่ากล่องทํทาครับหรือว่ากล่องทําที่เขาจเป็นขบวนเรียมร้อยนะนี่ดูหน่อยครับอันนี้เขาเรีว่ากล่องทําช้างทมาา้มางรนั่มันต่างกันอย่างไรใช่งันกันค้างกันครับ ไปดูที่สนามที่หแล้วไปที่สนามที่เขาจากคนที่หนึ่แล้วไปอยู่ที่กองกองทัพที่อีีกทหนึ่งค่าวแล้วก็เนี่ยมันมีสนามรบใช่ไหมมีที่พักพลใช่ไหมครับมีที่จัดขบวนทัพแล้วก็มีกองทัพมีมีที่ตรวจครับอาอที่ตรวจที่ตรวจกองทัพอันสุดท้ายเนี่ยที่ตรวจกองทัพใช่ไหมตอนแรกไปที่เข้าพักก่อนนะ อ่อพวกชนย่อมรู้จักที่พักนะครับของคนโลกณที่นีนะมันจะมีที่พักกองทัพนะครับเข้าพักไว้เป็นกองมีกองอยู่ตรงไหนใช่ไหมอันที่สองเขาจัดกระเบือกเทัากระบวนอันที่สามผูที่จัด ก, กระเบือรียบร้อยแล้ว<ม>ที่ตรวจผลก็เป็นตรวจว่ากองไหนกองไหนกองไหนใช่ไหมครับนี่นะนี่ต่างกันนะนี่สิเนี่ย สนามการใช่ไหมโอเคที่มากรถกองที่ที่ที่ผาผังทัพอยู่ทกางอครับกลงใช่ไหมผังกองทัพอันที่สองนะคับใช่ไหมครับพังกทที่สองอันแรกนี่สนามรบก่อนอันที่สองอันนี้แปลว่เหมือนกับอันนี่ที่อบอกที่จะรวบรวมพลรถแปลให้เหมือนกันนะคืออันที่สองที่พังกองทัพใช่ไหมครับ พาราคังเนี่ยตรง น, นี้นะพาราคังอาจารย์แปลว่าที่ตรวจผลนะเพราะว่าไอพารนาะเนี่ยแปลว่ากำลังคังมาจากข้าหน้าท่าสามขยานีในการกเลาะจดงแปลว่าที่จะนั่นที่ตรวจผลอาจารย์แลปลว่าที่ที่จะกระบวนผลเลยทีนี้เข้าไปว่าที่พักผลมันมีข้าหน้าสามนะที่นะครับ แค่เพื่อที่จ like so ัดกระบวนพลนะครับนี่แหละไม่เหมือนกันที่จักระบวนต้องเสนาพระยุหานะองคงที่พักก็เพื่อที่พักนครับสนามรบเพื่มไหมที่พังพนนะครับแล้วก็กาารที่จัดกระบวนถ้ำในกลางนี่และแล้วก็ที่ตรวจพนนะครับอย่างนี้นะนี่ก็ได้กันนี่นะครับเหมืนจะได้จะได้ต่างกันนะ เพราะว่าเสนาพระยุหาที่จะกระบวนทัรครับครับต่อไปนะครับต่อไปนี่ผ่านนะต่อไปพิสุมองดูกองทัพในที่ไหนบ้างที่ไม่ทําไม่ต้อง อ, าายอย่านแบบไปจริงจรครับพิสุมองดูกองทัพครั บ, รบอยู่ที่ไหนเนี่ยที่มองดูกองทัพแล้วไม่ต้องอาบัครับอ่าอยุดทิศตรงนี้ อยู่ในวันมองเห็นใช่ไหมอันนี้ที่หนึ่งแล้วครับม <c oughs> ั น, นก็วัด น, นั่นแหละยืนมองเห็นเป็นไงครับเอาคู่หนึ่งที่เนี่ยอันนี้เอาแรกแล้วอยู่ในวัดนี่แหละแล้วเดินนั่งนอนก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในวันมองเห็นเนี่ย ก็ไม่ต้องอาบัดใช่ไหมครับแล้วก็ยืนสนามเล่นเลยยืนในกอัพยืนองัขยครับมีกองนิมนไปอันนี้นิมนต์ไปข้าวที่นิมนไปเพระอยากข้าปุใช่ไหมอันนี้นะครับได้แล้วก็อะไรอีกครับเดินสวนกันใช่ไหมใช่นะครับ ลรากำลังเดินไปก็มีกองทัพฝืนมาพอดีใช่ไหแล้วก็เห็นเข้าก็ไม่ต้องอาบัตใช่ไหมครับอได้นะครับใครมนสมัยก่อนอะอะไรนะทั้งเหนือนะที่พม่าโลกเกาอะไรนะโลกเกาะพวกว้านแดงหรือว่าไทยใหญ่นะครับแล้วเขามาในลุกหนักอะไรนะฐานพอดิษหารไทยอยู่ฝั่งไทยอยู่บนเขานะครับแล้วมองลงไปเห็นแล้วเขาก็สู้ลงมดข้างล่างนะครับ เห็นนะครับเขาบอกโอ้ยมากันเยอะเลยนะพอดีมีภาพอยู่รูปนึงท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับหาเขามาหนีมากันดำเลยนะครับเขาเยอะมากนะโปกทายใหญ่เนี่ยเขาก็สู้ไม่ไหวเนี่ยก็ถอยนวลไปแต่ตอนที่เขาสู้กันนะพอดีมีลูกหลงนะลูกหลงเขายิงตืนใหญ่เข้ามันครับมาตกมากลางที่ทหารไทยอยู่พอดีนะโอ้ยนะครับทหารไทยตายเขาก็เลยถ่ายรูปกันอยู่ก็่า แล้วมีลูก ป, ปืนเนี่เข้ามาในการพอดีนะครับให้ยิงก็มานะตูนะ้เนี่ยก็เลยด่าอันทายตามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นาวะต่อนั้นเขาว่าเขามายิงหลงมาลูกนึ่งเนะี่ยเขาต้องยินกลับไปสิบลูกนี่นะถึงจะค้ง <laughs> ย, ยิงโตงกลับไปครับนั่นนะนั้ น, นครับก็สมัยนะั้นมีผ้าลุงที่ไปอยู่ที่ดอยจุงที่ไหนท่านบอกว่า เข้ามาตั้งกองถ้ำบนที่วัดนั่งเลยนะครับ <Yeah. S 1> ตั้งของถู่ที่นั่นเลยนะ uh huh. ตั้งตัวให ญ, ญ่ตั้งอะไรกันเลยนะครับอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเขเข้า ม, มาตั้งอยนะู่แล้วแต่อันตรายนะ <c oughs> เกิดก็ยิงลูกหลองอะไรเข้ามาในวัดนี้เนะสาลีนะครับหารยังตายเลยขอบใจนะครับอ่า อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะอันนี้จะถามเสริีเชนนะครับในเสี่ท่ามูจะนา่าปัญหาอ่ะจะถามมีข้อหนึ่งอันนี้เกี่ยวกัาราชีข้อหนึ่งนะในการเสรีถุนนะครับท่านถามว่าปัญหาจะได้รับสัญญาให้คงกล้าครับลองคิดดูปัญหาชาวงั้นนี้่จะธรรมดานะถ้าบอกว่าสตรีอยู่ข้างในนะครับพิสุอยู่ข้างนอกช่องไม่มีในเรือนนั้นนะครับไม่มีช่องด้วยนะ อที่จะสอนองคชาตไปเสร็จไม่ถึงนทีเนี่มันก็ไม่มีช่องนั่นนี่นะครับที่สจะต้องอาบัตรปราชิกเพราะเมถุนทําเป็นสนใจได้อย่างไรปัญหาครั้งนี้ท่านผู้ชนะทั้งหลายคิดกันแล้ครับผู้ชนะเพราะว่าผู้หญิงอยู่ข้างในนะพระเขาอยู่ข้างนอกช่องก็ไม่มีครับ <laughs> แต่ท่านต้องปลาชิกเพ ร, นะ ร, ราะเมถุนนี่แหละแล้วถูรับตาเขาไม่ใช่แล้วเนะี ใช่ครับแงเป็นส่วนี้คือครอบองไงใช่ไหมครับครอองอะไรครับครอบองไงนะเขาบอกสตีอยู่ข้างในิก็อยู่ข้างนอกเลยะสตอยู่ข้างในพิสูจมาแลมันมีสิ่งกั้นมันมีของกั้นอยู่นะในไม่มีช่อง้วยนะไม่มีช่องเลยนะไม่ใช่จองตาการ์ตูนห สุิโอ้โหนสุดย่ดเอยแคบอกไอตรงนี้ใช่หรือเปล่าของช้อนนี้ก็ได้จรงจริงแต่นี่เขาพูดถึงว่าพี่สุไปเมีอะไรกับผู้หญิงนั่นเลยนะครับแต่ของช้อนนี้ก็ได้นะของช้อนนี้ก็ได้แต่ในกรณีเขาบอกไปเมียอะไรกับผู้หญิงนี่ไห ไปมีได้ยังไงครับช่้าลีบมันมีริบรีบนั่นเป็เสียงในขณะนั้นนะอะไรนะผู้หญิงเป็นน้ำมันไปเธอทะลุมาได้นะมาอยู่ที่ตัววัตถุนะครับวัตถุคืออะไรที่กางนะวัตถุเป็นผ้าเขเนี่ยนะมันสามารถทะลุผ้าไป อาธิการเป็นผ้าเราเป็นม่านอย่างนี้นะกันนะครับที้อยู่ข้างในที่สุยข้างนอกใช่ไหมมันไม่มีช่องก็จริ้งแต่มันทําอะไรกันได้อยู่ะครับเพราะเป็นแ <c oughs> ค่ผ้า<ๆ>อย่างนี้นะคะรับถูกต้องนะถูกต้องครับเนี่ยท่านเฉลยให้นะๆๆๆๆผมชอบที่เวลาก็แปลก น, นะครับเสธธรรมมชนะปัญหานะตรง น, นี้รับปัญญานะครับถ้าเรา ถามตอบปัญหาพวกนี้บ่อยๆนะจะใช้ยเรามีสติปัญญาเฉลี่ยนฉลาดนะมีชาวมีไหวพริบที่แง่นะมุมนี้นะครับอยู่ในพระวินัยปิดอกเล็กที่สิทนะครับปีบริวารนะดูดวงสารวันเขาจะเขียนว่าเสถ่ามันจะน้ปัญหานะครับเรากดไปดูตรงนั้นนี่ไงท่านบอกดีกว่านะที่ท่านเฉลยให้ฟังเฉลยว่าเป็นมากต้องนะครับนี่ บอกว่าตรงไหนแหละสติอยู่ข้างในี้สูอยู่ข้างนอกเตอรเง้หมดแล้วกล่อนี่ไงจิ๊นี่ไงสติข้างในปิสูรอยู่ข้างนอกของอยู่น่ากล้าช ใกล้ๆ ก, กับชวนเองรัก น, นะครับท่านบอกว่าหมายถึงว่านี่ไงตัดหมายถึงกุ ด, ดีที่บังด้วยผ้าเป็นต้นนครับในนี้นะแระวัตถุที่กำหนดเป็นเครื่องร่าดนะ้อันนี้ก็จบนะครับปัญหา